สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่27ข้อ17จ็ดนถึงข้อที่22ครับสุภาษิตบทที่2 7่สข้อ 17, ถึงข้อ22โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเหล็กรับเหล็กได้คนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนได้ บุคคลที่ดูแลต้นมะเดื่อจะได้กินผลของมันและบุคคลที่ระแวดระวังนายของตนจะได้รับเกียรติในน้ำคนเห็นหน้าคนฉันใดความคิดของคนก็ส่อคนฉันนั้นแดนผู้ตายและแดนพินาศไม่รู้จักอิ่มตาของคนเราก็ไม่รู้จักอิ่มเบ้ามีไว้สำหรับเงินเตาทลุง มีไว้สําหรับทองคําคําสรรเสริญของคนจะพิสูจน์คนเอาคนโง่ใส่ครกตําด้วยสากพร้อมกับเข้าต้มคนโง่ก็ยังโง่อยู่นั่นเองพี่น้องครับในช้าวันนี้พระวจนะพระเจ้าก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนเรื่องความสัมพันธ์เรื่องชีวิตของคนเราที่จะต้อง ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเราจะต้องเลือกให้ถูกว่าเราควรจะอยู่ใกล้ใครเราควรจะหนีห่างจากใครพี่น้องครับเหล็กรับเหล็กได้เพื่อนก็รับเพื่อนของตนได้เมื่อเหล็กถูกรับกับเหล็กอีกชิ้นหนึ่งมันก็จะทําให้ตัวเองคมครับและทําให้เหล็กอีกชิ้นหนึ่งคมด้วยเหมือนกันในทนํานองเดียวกันครับคนเราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ ทำบางสิ่งบางอย่างต่อกันและกันสนับสนุนกันและกันเสริมสร้างกันและกันให้คําเตือนสติให้คําสอนต่อกันและกันแบ่งปันกันและกันก็จะทําให้ชีวิตของทั้งคู่นั้นดีขึ้นมาได้ด้วยการพูดคุยกันครับด้วยการทําการวิพากวิจารณกันและกันดยโดยที่มีแรงจูงใจที่ดีครับท่าทีที่ถูกต้องและ ให้คําแนะนําให้ข้อคิดพี่น้องครับอิทธิพลของเพื่อนที่มีต่อชีวิตของเรานะมันมีทั้งดีทั้งร้ายถ้าเราอยู่กับปราช์ครับอยู่กับปราช์เราก็จะมีความรู้อยู่กับครูเราก็จะเป็นปราช์พี่น้องครับถ้าเราอยู่กับคนที่ไม่ดีคนที่ชั่วร้ายเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันพระเงิมพีอีกตอนหนึ่งนะครับในสุภาษิตบทที่ ย2ข้อ22สครับสุภาษิตบทที่ยีบสอข้อยี่สิบสจําง่ายนะครับ22 22แต่พูดชัดเจนครับบอกว่าเราจะต้องไม่เอาเปรียบคนอื่นเราจะต้องไม่เอาเปรียบคนยากจนคนอ่อนแอคนไร้ที่พึ่งคนขัดสนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนขัดสนมันจะตกเป็นเหยื่อของคนชั่วพอมาถึงข้อ24นะครับก็เป็นคําเตือนไม่ให้คบกับ พักพวกหรือเป็นพักเป็นพวกกับคนขี้โมโหคนที่โกรธง่ายนะครับถ้าเราครบหาสมาคมกับเขาก็จะทําให้เราเดินในทางของความโกรธเดินในทางของคนขี้โมโหและกลายเป็นคนขี้โมโหครับและสร้างความแตกแยกถือว่าเป็นคนโง่ครับเราเดินใครก็ตามที่เดินในทางของความโกรธเกลียวนั้นก็ถือว่าเป็นความโง่ ทำให้เกิดการแตกแยกและเต็มไปด้วยความบาปติดบ่วงติดบ่วงที่ยากจะเยียวยายากจะเข้าไปช่วยเนี่ครับพี่น้องครับการที่เราจะคบใครสำคัญมากครับการที่ลูกหลานเราจะคบใครก็สำคัญมากเช่นเดียวกันข้อ18บบอกว่าบุคคลที่ดูแลต้นมะเดื่อจะได้กินผลของมันและบุคคลที่ระแวดระวังนายของตนก็จะได้รับเกียรติ การปลูกและเอาใจใส่ดูแลต้นมะเดื่อนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าหากว่าเกษตรก ร, ร, กรนั้นต้องการผลมะเดื่อที่ดีเขาจะต้องดูแลครับเปรียบเทียบกับคนรับใช้ที่ทำงานทางานตามความต้องการของนายก็จะได้รับเกียรติเช่นเดียวกันครับกล่าวได้ว่าการทำงานของตนให้ดีจะได้รับผลเป็นที่น่าพึงพอใจพระคมภีสอนเรานะครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสาขาวิชาชีพใดก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกเป็นหมอเป็นอะไรก็ตามครับเมื่อท่านทําสิ่งใดก็จงทําเสมือนถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าดูแลต้นมะเรือดูแลงานของเราให้ดีแล้วเราจะได้รับผลตอบแทนจากงานนั้นถ้าเราพยายามตั้งเป้าที่จะทํางานของเรา แบบทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าผมเชื่อแน่ว่าผลงานจะดีขึ้นอย่างแน่นอนในข้อที่19ครับในน้ําคนเห็นหน้าคนฉันใดความคิดของคนก็สอคนฉันนั้นพี่น้องครับการที่เราจะเห็นเงาของตัวเองในน้ำเนี่ยนั่นหมายความว่าในน้ําต้องเป็นน้ําที่นิ่งใช่ไหมครับในน้ําต้องเป็นน้ําที่นิ่ง จิตใจของเราก็เหมือนกันครับถ้าเราจะเห็นสะท้อนความรู้สึกจิตใจของเราให้เรารู้เราต้องนิ่งครับน้ำนั้นทำหน้าที่ เ, เสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นหน้าของคนชันใดจิตใจของเราครับความคิดของเรานะครับก็สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงตัวตนของเราจริงๆได้ฉนันฉนั้นฉันใดฉันนั้นครับน้ำสะท้อนให้เห็นหน้า นะครับความคิดของเราก็สะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพให้เห็นท่าทีผ่านทางคำพูดของเราพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวนะครับเราอยู่ในโลกของความหลอกลวงเราอยู่ในโลกของความเสแสร้งแต่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับใครก็ตามที่มีของประธานในการสังเกตของประธานในการแยกแยะเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอม อะไรเป็นสิ่งที่เสแสร้งอะไรเป็นสิ่งที่ออกมาจากจิตใจข้อต่อไปครับแดนผู้ตายและแดนพินาศไม่รู้จักอิ่มตาของคนเราก็ไม่รู้จักอิ่มในข้อ20นี้ได้พูดถึงเรื่องของการไม่รู้จักอิ่มมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่รู้จักอิ่มนั่นก็คือหลุมฝังศพดังนั้น ในข้อ20นี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายและความพินาศครับความตายและความพินาศหรือหลุมฝังศพนั้นถูกทำให้เป็นบุคคลให้เสมือนบุคคลที่มีความอยากและดูเหมือนว่าความตายและหลุมฝังศพนั้นมันต้องการให้คนที่มีชีวิตอยู่ไปอยู่กับมันครับมันต้องการให้คนที่มีชีวิตอยู่อีกคนหนึ่งตายไปเสมอพี่น้องครับเราจะเห็นตรงนี้ว่าความตายนั้นมา จากความบาปความตายนั้นเป็นค่าจ้างของความบาปและมารซาตานั้นมันมาเพื่อที่จะลักลอลิงครับฆ่าและทําลายลักอะไรครับลักขโมยพร ะ, นะพระเจ้าไปจากชีวิตของพวกเราฆ่าคือฆ่าให้ตายฆ่าชีวิตนะครับทําให้ความตายเข้ามาถึงชีวิตของพวกเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนและทําลาย ทำลายในที่นี้ก็คือทำลายจิตวิญญาณครับทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับนี่คือมารซาตานหลุมฝังศพความตายความพินาศมันต้องการมารซาตานมันต้องการให้เราไปอยู่กับมันครับเช่นเดียวกันกับตาของคนที่ไม่เคยอิ่มตาของคนเรานะครับก็คือความต้องการครับความต้องการที่จะเห็นสิ่งใหม่ๆความต้องการที่จะถูก ล่อลวงเ ย, าวยว้าโยนนั่นเป็นจุดอ่อนครับและเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆใหม่ๆเสมอหรือตาของคุณผู้ชายนะครับเมื่อมองเห็นภาพที่ไม่ถูกต้องไม่ดีก็รู้สึกว่าไม่เคยอิ่มพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราในการที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทําให้ตาของเรานะครับที่จะต้องการเห็นเห็นอะไรครับที่พระเยซูต้องการ เห็นดวงวิญญาณเห็นชีวิตของคนหลายๆคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้ากับใจใหม่นี่คือสิ่งที่ตาเราปรารถนาที่จะเห็นพระเจ้าพระเยซูปรารถนาที่จะเห็นคนมากมายนะครับตาของเราก็เช่นเดียวกันครับปรารถนาต้องมีความปรารถนาที่จะเห็นคนมากมายเข้ามาสู่แผ่นดินของพระเจ้าต่อไปครับข้อ21เบ้ามีไว้สาหรับเงินเตาถลุงมีไว้สาหรับทองคา คำสรรเสริญของคนจะพิสูจน์คนพี่น้องครับเราจะเห็นว่าความร้อนนะครับช่วยพิสูจน์และหลอมเงินหลอมทองให้เห็นว่าเนื้อแท้ของโลหะนั้นเป็นอย่างไรมีขี้แร่มากหรือไม่คำสรรเสริญของคนเราก็จะพิสูจน์ในบั้นปลายเช่นเดียวกันครับการตอบสนองของเขาต่อคำสรรเสริญแสดงให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นคนอย่างไงถ้าคนบางคนนะครับ ละโมบต่อคําสรรเสริญคนบางคนนี้ต้องการให้คนยกยอปอปั้นนั่นแสดงว่าเขาเป็นคนงโง่ครับเขาเป็นคนเย่อหยิ่งคนเย่อหยิ่งพังคมพีใช้คําว่าเป็นคนงโง่เขาหากเขารู้ว่าตัวเองดีนะครับเขาจะยอมรับคําสรรเสริญด้วยความถ่อมชุภาพเขาแสดงถึงความถ่อมใจครับคนที่น่าสรรเสริญ น, น่ายกย่องก็คือคนที่ถ่อมใจผมมีอาจารย์คนหนึ่งครับ เวลาที่มีคนชมเชยท่านมีคนยกย่องท่านท่านก็ชี้ขึ้นข้างบนชี้ขึ้นข้างบนหมายถึงอะไรครับหมายถึงมาจากพระเจ้าครับสรนเสริญพระเจ้าเถอะอย่าบอกสันเสริญท่านเลยนะครับ<ม>ข้อสุดท้ายของวันนี้ครับข้อ22เอาคนโง่ใส่ครกตำด้วยสากพร้อมเข้าต้มคนโง่ก็ยังโง่อยู่นั่นเองพี่น้องครับคนโง่ตรงนี้นะครับก็คือคนโง่ที่เยื่อยิงดื้อรั้นนะครับ เมื่อสักครูน่นี้เราได้อธิบายว่าคนโง่ก็คือคนโง่ที่เย่อหยิงนะครับในที่นี้ก็รวมถึงความดื้อรั้นไปด้วยนะเพิม่มผีใช้เย่อหยิงคําว่าเย่อหยิงสําหรับคนโง่ครับคนโง่นั้นความโง่ของเขานะคนโง่และความโง่ของเขาก็ไม่สามารถแยกออกไปได้มันจะไปด้วยกันครับคนโง่ก็ไปกับความโง่นะครับถึงแม้จะถูกลงโทษซ้ําแล้วซ้ําอีกเหมือนกับการตําข้าวด้วยสาก นะเขาก็ยังโง่อยู่นั่นเองคนโง่ก็โง่ซ้ำซากครับดังนั้นในตำราอธิบายพระคภีข้อนี้ได้ใช้คาว่าคนโง่ที่เป็นผู้ใหญ่นะครับแปลว่าอะไรครับคนโง่ที่เป็นผู้ใหญ่ก็คือว่าเขาเปรียบเสมือนกับข้าวนะครับที่ถูกตำตำแล้วตำเล่าตำแล้วตำเล่าตำแล้ ว, ลวจนเป็นผู้ใหญ่นะครับก็ยังโง่อยู่ดี อันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องระมัดระวังชีวิตของเรานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นคนโง่ที่เป็นผู้ใหญ่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะได้รับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและขวนขวายหาการพัฒนาตัวเองในทางจิตวิญญาณที่จะเป็นคนที่ถ่อมใจเป็นคนที่ยกชูพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะยกชูท่านอาเมน